ตั้งใจเป็นคนดีเป็นเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนจับต้องไม่ได้จริงและกระทั่งเป็นข้ออ้างได้ภายหลังบางคนยังไปตกปลาเอาสนุกเป็นการทำให้สัตว์ตายยังช่วยประโยชน์จากความไม่รู้ของคนอื่นทาให้เขาเสียทรัพย์แก่ตนย่างเจ้าชู้หลายผัวหลายเมียทำให้คู่ครองบาดเจ็บทางใจยังพูดบิดเบือนโน่นบิดเบือนนี่ ทำให้คนอื่นหลงเข้าใจผิดแล้วเสียประโยชน์ยังกินเหล้าย้อมใจทำให้สติพร่าเลือนแต่แค่ไปทำบุญที่วัดก็รู้สึกเหมือนได้ฟอกตัวกลายเป็นข้ออ้างทางใจไว้บอกตัวเองว่าทำตัวเป็นคนดีแล้วอันนี้มีให้เห็นจริงๆและเป็นกันมากด้วยพูดง่ายๆคือพอมีภาพคนดีอะไรอย่างหนึ่งให้จับต้องก็ยึดมั่นไว้เป็นเรือนตาย ไม่ต้องสนใจว่าทําอย่างอื่นเดือดร้อนชาวโลกหรือเปล่าแต่พอเลิคิดถึงการพยายามเป็นคนดีตั้งเป้าชัดๆว่าฉันจะรู้จักให้เปล่าและฉันจะรักษาศีลข้อนี้ให้ได้คือข้ออื่นไม่ได้ก็ยกไว้ก่อนถึงเวลาค่อยตั้งใจใหม่อันนี้ชัดเจนจำแจ้งแก่ใจว่าจะทําอะไรไม่ต้องสนใจว่าตัวเองดีหรือไม่ดี และได้โฟกัสยังมีกฎเกณฑ์ให้ประเมินตนเองว่าทำได้หรือไม่ได้เป้าหมายที่พาลาดเรือนมักจุดชนวนได้แค่พลังวูบวาบติดติดดับดับส่วนเป้าหมายยิ่งชัดยิ่งก่อพลังเข้มข้นพอจะให้อยากเริ่มก้าวตลอดจนยาก้าวต่อเพื่อผ่านอุปสรรค